หายใจเอาความจริงมาปลดเปลื้องอุปาทานแล้วจะไม่มีสิ่งใดในโลกมาหลอกให้เป็นทุกข์ได้หายใจเอาชีวิตรอดหายใจเอาความรู้สึกดีๆหายใจเอาอิสระทั้งความคิดหายใจเอาความจริงมาปลดเปลื้องอุปาทานทั้งหมดนั้นคือคุณค่าที่เอามาได้จากลมหายใจ แต่คนส่วนใหญ่รู้จักเพียงสองคุณค่าแรกเท่านั้นหายใจเอาชีวิตรอดคือการปล่อยให้ร่างกายและจิตใจทำงานไปตามธรรมชาติเด็กเกิดใหม่นาทีแรกก็ทำเป็นบางครั้งไรที่ว่างงานว่างคนเกิดสังเกตเห็นว่าชีวิตตนมีแต่ลมหายใจพอให้รอดก็รู้สึกว่าเป็นการหายใจทิ้งเปล่า ไม่ได้หายใจเอาอะไรดีๆให้ชีวิตเลยหายใจเอาความรู้สึกดีๆคือการสูดอากาศเข้าปอดมากขึ้นจดเชยการขาดอากาศจากความกดดันทางกายแล้วระบายความอัดอั้นตันใจออกมาให้เกิดความปลอดโปร่งโล่งอกเพื่อให้ได้เป็นสุขอย่างน้อยสักวูบหนึ่งหายใจเอาอิสระทางความคิด คือการมีจิตใจปลอดโปรง่งเพลิดเพลินกับการสังเกตลมหายใจอันสดชื่นที่ลากเข้ายาวบ้างระบายออกยาวบ้างหรือดึงเข้าสั้นบ้างพ่นออกสั้นบ้างตั้งจิตอยู่ในอาการเฝ้ารู้เฝ้าดูเฉยเฉยกระทั่งกระแสความคิดระงับลงชั่วครู่ได้รู้จักอีกรสชาติทางจิตเหมือนเปิดหลังคาโลกไปเห็นอิสระอีกแบบอิสระจากการไม่ต้องคิดเนิ่นนาน ใจเอาความจริงมาปลดเปลื้องอุปาทานคือการมีจิตจดจ่อตั้งมั่นกับลมหายใจดีแล้วและสังเกตเห็นว่าแก่นสารของลมหายใจสักแต่ว่าเป็นภาวะพัดไหวไม่ต่างจากลมพัดกิ่งไม้ใบหญ้าทั้งหลายที่ไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่บุคคลหน้าตาอะไรๆเข้าออกครั้งหนึ่งอึดอัดหรือสบายประมาณหนึ่งเข้าออกอีกครั้งหนึ่ง อ, อึดอัดหรือสบายผิดไปปรุงแต่งจิตเป็นมืดเป็นสว่างต่างไปเรื่อยเมื่อหายใจอย่างเห็นความจริงเท่ากับหายใจอย่างพุทธหายใจเพื่อฆ่าอุปาทานไม่มีสิ่งใดในโลกมาหลอกให้เป็นทุกข์ได้